หนึ่งร้อยคำวิเศษฟุกซีเคยยังไม่เคยสุดまだしていないคุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง ベルリンに行ったことはありますかไม่ยังไม่เคยเลยครับいいえまだありませんใครไม่มีใคร誰か誰もคุณรู้จักใครที่นี่ไหมครับ誰かここで知っている人はいますかไม่ผมไม่รู้จักใครที่นี่ครับ いいここอีกนิดอีกไม่นานまだもうないคุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหมまだしばらくここにいますかไม่ผมอยู่ที่นี่อีกไม่นานครับอ い, いえもう長くはいませんอะไรอีกไม่อีกแล้ว まだมうないในคุณอยากดื่มอะไรอีกไหมまだ何かお飲みになりますかไม่ผมไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วครับいいえもう何もいりませんอะไรบ้างแล้วยังไม่เลยすでにまだないคุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม 何か食べましたไม่ผมยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยครับいいえまだ何も食べていませんมีใครอีกไม่มีใครอีกแล้วだれか誰もないมีใครอยากรับกาแฟอีกไหมまだ誰かコーヒーのいる方はいますか